ชีวิตของเราในอาการเหตุปัจจัยหลายอย่าง <c oughs> ที่มันจะเกิดขึ้นกับลูกนี่แหละเราจึงมาศึกษามาศึกษาเรื่องของชีวิตเรามันมีลูกมีนามลูกทมนามรม แต่ก่อนนี่เราไม่รู้จักลกธรรมนามธรรมเลยไม่ค่อยฉลาดเพื่อเรื่องรูปเรื่องนามโลกธรรมนามธรรมทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์ทำให้เราโลภหลงเรียดเบีเยนตนและเบีเยดเบีเยนคนอื่นเราจะมาศึก ษ, ษาเราจัดการกับตัวเองก็ไม่ค่อยเป็นสมัยก่อน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 เอาของไม่จริงมาเป็นของจริงเอาของที่จริงเป็นของไม่จริงเอาของที่ผิดมาเป็นเรื่องถูกตัวเอาความผิดมาเป็นเรื่องถูกทั้งรายความถูกให้กลายเป็นเรื่องผิดในตัวเรานี่ใช่ไห่อรับปฏิบัติตัวอยู่ในความผิดความโกรธความโลภความหลงยึดมั่นถือมั่นไม่ปฏิบัติตัวอยู่ในความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ทาจริงขง ไปทสิ่งที่ไม่จริงไปทิ้งสิ่งที่เป็นความจริงความกลัวกับกล้าความกล้ากับกลัวสิ่งที่ควรกลัวกบไปกล้าสิ่งที่ควรกล้าก็ไปกลัวใช่ไหมเป็นอยงั้นชีวิตเราขหัวลุกถ้าจะมาเปรียบเทียบกับการศึกษาปฏิบัติธรรมเนะีเสียเวลามากชีวิตเรานะเราจะมาศึกษา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 ความถูกต้องกับตัวเองกับคนอื่นให้ตรงเส้นตรงห่า่้าคงเส้นคงวางตัวเรานี่บางทีมันก็มีอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับหมูกับมิตรบางทีก็เอาทุละ บางทีก็ไม่ไหวก็ว่วางธุละก็นี่การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ว่าจะตรงเป๊ะบางทีเราก็เลยจับหยืดหยุ่นกับการกระทำของเราให้เป็นอิสระโดยเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บังคับกัน หรือว่าทุกคนทำดีแล้วถ้ามีสติมีสมัญญามีหลายคนที่มาเอาแบบ ต, ต่างๆมาใช้ในที่ปฏิบัติทำบางทีก็ไปส่งบาตรอุ้มบาตรไปส่งรับบาตรแล้วก็ล่างเท่าให้ มารับใช้รีบชันอาหารเสร็จพระผู้น้อยรีบชันอาหารเสร็จมาคอยรับใช้พระเถระมาลินน้ำใส่แก้วให้เอากระถนมาวางปลอกผลละไม้ให้ใหเราก็ไม่ไม่อยากทำคือไม่ต้องไปใช้กันอะไรจนจนเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น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 คนอื่นว่ามันก็ไม่มีประโยชน์แต่ให้ตัวเองนั่นแหะว่าตัวเองอเวลาได้ยินเสียงค้องโอ้ยตื่นแล้วแต่ว่ามันขี้เกียจโอ้ยไม่อยากมาโอ้ยพอนอนพอนอน อ, นอนัอนนั่นแหละถ้าให้คนอื่นเตือนตรงนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเป็นเสนาบดิกาวต้องเตือนตัเ อ, อืมมันจะขี้เกียจหรือเนี่ยมันจะเห็นจะนอนแล้วเนี่ยมันนอนมาตั้งหลายชั่วโมงแล้ว หรือว่าว่ามันไม่ได้นอนก็มาถึงตื่นเที่ยงคืนมันเหน็ดเหนื่อยไม่ล่าก็รู้จักประมาณของตัวเองเราจะประมาณของการใช้ชีวิตตัวเองแต่เหนื่อยมากเก็บป่วยก็ไม่มามันเป็นธรรมแล้วถ้าป่วยมากมากถ้าเจ็บมากมากไม่ได้หลับได้นอนมาเอาเกียงเอาจังกับพิธีเอาไปมามก็ผิดเหมือนกัน ผิดประมัดปฏิบัติตัวกับตัวเองไม่เป็นประมัดมาเอาระเบียบเป็นประมัดมันก็ใช่ไม่ได้กลับมาถึงตีสองตีสามอา้าวว่าจะนอนเสียงข้องเกิดขึ้นไม่ได้นอนเอากิงกับระเบียบแล้วประมัดคือความจริงของชีวิตเราเราก็ลำบากเอาไปมาก็เพี้ยนไปเชิงเอเชิงอากังวลเกินไปสูง ล, ลงเกินไป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 ผู้รู้ใครควรแล้วติเตือนตัวเราได้หรือไม่ น, นั่นก็มันก็อยู่กับตัวเราเพราะว่าตัวปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เราทำอะไรมันพอดีพอดีไม่มาทำวัดไม่ไปเวรทำบาดถ้าพระสงฆ์จำนวนมากเอาข้าวมาเยอะๆแต่ว่าเราก็ถือว่ากิจวัดกิจวัด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 ถ้าไม่มีก็ต้องช่วยกันไปเวนทบาทบางทีสมัยอยู่พุทธยานการเวนทบาดไม่พอฉันก็ต้องรวมพลังกันไปเวนทบาดอาหารน้อยก็ลุกพระอธิการเจ้าอธิการก็ลูกการแจกพัดบางทีก็เดินไปดูอาหาร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 พออยู่กันได้ถ้ามันไม่มีจริงๆจะไม่ก่อนได้ยินเหมือนกันคนหงมาอยู่ด้วยเนะี่ะของข้ออาหารเมื่อสุดท้ายของเราแล้วนะพวเน่ไม่รู้จะกินอะไรนะเ้าก็บอกเราเราก็ต้องหาวิธีช่วยนะัแต่ก่อนถึงกับกินแกงแกงแนหนเลยจะแกงแหนบวะที่ รู้จักแหนบป่ะฮะเจอป่แหน่ยังได้นาเป็นเส้นเขียวๆแ้วก่อนนะมันไม่มีอะไรไมีน้ำปลาปวดเดียวก็อุ่นใจใช่ไกินแจงแหนต้ยมยำแจงแหน่แล้วพ่อเป็นช่างเองมันไม่มีอะไรจะแกงกัต้มน้ำปลาล่าเอาพริกเอาเกลือเอา ส้มมะนาวบีบลงชิมชิมดูมันเออพอกินได้แล้วแล้วก็มาปองลงมาเอาพอาปองลงมาก็ซอยซอยแห น, นะใส่ลงไปคนคนแลลอกออกมากินเคยกินไหมแยงแหนถ้าไม่เคยก็ลองดูนะ <c oughs> ยจงส้มยังส้มแหนะอันนี้เราเรา เราปล่อยให้กันกดไม่เป็นหรอกหาวิธีจนได้ลน ะ, ะแต่ว่าเรารู้ไม่ไปบินธบาตไม่มาทำวัดไม่หรือเก็บอารมณ์ก็เลยจะประมาณการเจ็บอารมณ์ของของนักปฏิบัติสมัยก่อนหลวงพ่อก็เคยเจ็บอารมณ์แต่ว่ายังบินธบาตยังมาฉัน ยังว่าฉันกับหมู่อยู่ไม่ได้ตักอาหารไปฉันคนเดียวฉันอยู่กับหมู่อยู่สําหรับหลวงพ่อนะ่ะคนอื่นมีบ้างเมีบ้างยังว่าฉันกับหมู่กับหลวงพ่อเทียนยังพูดกับหมู่เห็นกันก็ถามไปเป็นธบด้วยกันพระวางลูกชวนคุยเวลาบินธบา เราก็รู้สึกตัวขณะที่พระเพื่อนพูดเพื่อนคุยอ้าวคุยกันมากๆเราก็ไม่อยากพูดเราก็เดินแต่ละก้าวเราก็โล้อยู่บางทีเขาพูดคำสองคำเราก็พูดตอบป่างเล็กๆแต่น้อยไปอ้า ว, วันหลังออกไปเป็นธรรมบาตรไปเยืนหน้าวัดเราก็เลือกได้เออองนั่นเขาไปทางนั้นเราก็ไปทางอื่นมาเนี้ย เลือไปทางอื่นกับพระองค์อื่นเพราะไปกับพระรูปนั้นชวนพูดชวนคุยแบบแบบแบบแบบแบบแบแล้วก็ไปทางอื่นถ้าเราไม่เก่งถ้าเราเก่งก็ไปกับเขาแต่เราอยากลูกของเราคนอื่นก็ชวนพูดชนคุย <c oughs> แล้วก็ไปดินทำบาตไปขอบไปฉันกับหมูอยู <c> ่ <oughs> ไม่ได้อ่าบางที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 แล้วก็เมื่อเวลามีกิจการงานหลอ่อท่อทำอะไรก็ขอผอนพิเศษให้พากันทำเองก็บอ ก, กอย่างนี้แบบการงานบางทีมันก็มีแบเป็นสำนักใหม่ซ่อมแซมปติทำห้องน้ำอะไรต่างๆก็บอกกันเองประวัตาให้เขารู้จักการเจ็บอารมณ์ก็คือ มีความรู้สึกตัวสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกตัวก็หลบหลบติ๊กตลีกบ้างในสิ่งที่ไม่จำเป็นนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติ ร, รมเนียง<ช>ก็ให้มันชัวร์ชัวซึสักหน่อยไม่ใช่ใจะทะนทะนอมจนไม่พูดไม่จาไม่ได้รวมโมรวมมิด เราปฏิบัติเราก็ลูกของเรานี่ยแหละมันผิดมันถูกตรงไหนเราไปฉันกับโมก็ไม่ถือว่าผิดเราไปทําวัดกับโมูก็ไม่ถือว่าผิดเราไา ม, รม่ฉันกับโมก็ถือว่ามันไม่ถูกหรือมันมันผิดเราไาม่ทาวัดกับโมูก็ไม่ได้ถือว่ามันผิดหรือมันถูกมันก็ถูกที่ผิดก็อยู่กับตัวเราเราเนี่ยแหละเห็นตัวเราอเราไม่มาทําวัดเวลาทําวัดเรานอนอยู่ไหมที่เก็บอารม ถ้าเรนอนอยู่ก็ถือว่าดูตัวเองเอครีเกลียจดูตัวเองไม่อยากเอาธุละอะไรมันก็ไม่ใช่ก็เลยกลายเป็นความอ่อนแอเข้าใจผิดไปซะกนะารปฏิบัติทําให้ะถูกจะผิดคอยดูแลตัวเองถ้ามีสตินะมาทําวัดก็ไม่ผิดไม่มาทําวัดก็ไม่ผิดเป็นทบาทก็ไม่ผิดไม่เป็นทบาทก็ไม่ผิด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 บางทีเราก็เป็นคนดีเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ชั่วอะไรเลยเราเป็นคนดีมาอยู่ทําไมต้องปฏิบัติประเด็นก็ยึดในทิฐิความดีของตัวเองปฏิบัติเนี่มันเป็นยังไงมายกมือสร้างจาาังหวัดอ๋อมันมากําหนดความรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวต่อเนื่องโอ้เรามาสร้างตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ความดีที่มันมีอยู่เรามาสร้าง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 เราอยากเป็นพระเราอยากทำหน้าที่ของความเป็นพระจะไมเราเป็นโยมไม่ได้รังเกียจไม่ได้เบื่อไม่ได้ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ใช่นะเราสงสารผ้าเหลืองอยากจะเป็นพระมารับผิดชอบมันก็ชิดไปเท่านองนะแต่บางทีเราก็เป็นคนดีไปเห็นพระที่ปฏิบัติร่วมกันเราเป็นโยม เก็ยังไม่รู้อะไรเราอยากเราอยากรู้เราอยากเป็นผู้ที่สอนคนผู้ที่สอนเรายังสุบุรีอยู่ยังหัวอ้าปากเห็นเหงือกเข็ น, นฟันอยู่ยังกัดกินกล้วยยังอ่ายังเล่นกันอยู่เล่นหัวกันอยู่หยอกล้อกันอยู่เอแล้วก็ไม่ได้เบื่อถ้าไปอุควมเบื่อในะขณะที่เห็นเวลาปฏิบัติอยู่ในสำนักปฏิบัติกระหลงกระเทียนเราจะหนีไปแล้ว หลวงพ่อเทียนผิทธิหลวงพ่อเทียนที่เป็นผู้สอนเราก็ทำอน่างนี้อยู่อเราก็จะคิดไปทำนองนั้นเราก็เลยไปคิดไปทํานองนั่นก็หอบกัเป๋งกับบ้านแล้วไปหาอาจารย์เอกสอกศอกสอ ก, อกไปหาอีกก็คงจะพบอีกก็คงจะพบอีกโอ้เราก็ไม่ใช่แต่เป็นความผิดความถูกมันอยู่ที่ตัวเรานี่ จะไปเาผิดกับคนอื่นจะไปเาถูกกับคนอื่นไม่ใช่เรื่องตัวเราเราก็เลยเอเรามาสร้างสตินี้มันก็มีสติอย่างนี้มันก็มีความรู้สึกตัวอย่างนี้คนอื่นจะเป็นคนอื่นก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ใช่ไปเอาผิดเอาถูกกับคนอื่นฟังหลวงพ่อเทียนเทศเวลาหลวงพ่อเทียนเทศเราก็ฟังสิ่งที่เราไม่มีสิที่หลวงพ่อเทียนพูด เราก็สร้างให้มันมีสิ่งที่มันยังไม่เป็นเหมือนหลวงพ่อเทียนพูดเราก็สร้างให้เป็นสิ่งที่มันมีแล้วหลวงพ่อเทียนพูดมันมีอยู่กับเราเราก็ก็ถือว่าถูกต้องหลวงพ่อเทียนพูดเรื่องรูปเรื่องนามเราก็เห็นเรื่องรูปเรื่องนามหลวงพ่อเทียนพูดเรื่องทุกเราก็เห็นความทุกข์หลวงพ่อเทียนพูดเรื่อง อะไรเราก็มีถ้าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดเราไม่มีเราก็พยายามทำเราก็พยายามทำให้มันเกิดให้มันมีขึ้นมามันก็อุ่นใจมีครูมีอาจารย์ผู้สอนฟังเอาคำพูดเราเอามาทำคนอื่นพูดคนอื่นทำบางทีเราก็ไม่สนใจ พ็ไม่ใช่หลวงพ่อเทียนถ้าเขาผิดก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาถูกเอออันนี้ก็ใช่แล้วก็อยู่กับเราเ็น่างนี้อยู่กับเขาก็มีแต่ถ้าสิ่งที่เขาพูดมันมีอยู่กับเราแต่เขาอาจจะไม่มีก็ได้แต่เวลาเขาทำเขาทำอ ย, าย่างอื่นเช่นพระวางรูปพูดเรื่องรูปนามนี่เจ้าเวลาเขาปฏิบัติไม่ใช่เรื่องรูปนามแต่เวลาเขาพูดมันถูกอยู่ โอ้คนที่รู้จักรูปน้ำเขาจะไม่พูดอย่างนี้เขาจะไม่ทาอย่างนี้นี่มันก็เป็นอย่างนัง้นไปเราก็รู้ไม่เอาผิดเราถูกกับขเขาแต่ว่าคนที่รู้จักรูปน้ำไม่ทาอย่างนี้หรอกนะคนที่รูปน้ำเขาจะไม่พูดอย่างนี้คนจะคนที่รู้จักรูปน้ำเขาไม่คิดอย่างนี้แล้วก็วัดสิเรามีมิเตอร์ของเราเราก็วัดไม่ใช่ว่า เขาพูดเราจะเ hey, ฮไปตามเขาเบอกว่าอันนั้นก็ทําได้กินสมอคําป้องกินได้ตอนบ่ายมามากินสมองําป้องตีวงก็กินเออเพรารู้จากรูปนามจะต้องไปอแสดงหาถึงป่า น, นี่เลยขึ้นต้นไม้ไม่เออเราเราไม่ทําแบบเขาแต่เขาพูดลูกพูดเขาพู ด, พดนะเราสอนเขาสอนเราไม่ทําบางอย่างเราไม่ทํามัอนเขา เราไม่ทามันเขาเราไม่พูดมันเขาเราไม่คิดมันเขาก็มันเป็นคมถูกต้องที่มันมีอยู่กับเราจริงๆเป็นปัจจุตังจริงๆการปฏิบัติธรรมเอาไว้ยึดมั่นถือมั่นกับตัวกระทาของคนอื่นความกระทาของเรามันคงเส้นคงวา ไม่มาทาวัดไม่มาบินธ บ, บาตไม่มาทำอะไรมาใหนก็จริงๆแล้วเราก็คงเส้นคงวาอยูดย่ดอกแต่ว่าเราอยากที่งหมูทิ้งม็ดบางโอกาสจูนเจือช่วยเหลือสัมจูนดึงกันไปเอาทลุลอย่าเห็นตจความเหน็ดความเหนื่อยแต่บางทีมันก็ อ่นหนักมากก็ไม่ไหวนะเจ็บป่วยเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ไหวเพื่อนของผมตายเลยตายขณะทํารรวัดเนี่ยตายขณะทํารรวัดพอทําวัดศบกําลังว่าจะโพดล้มลประมาณหนักเกินไปเดี๋วัดถัดคงน้องหานเอางานเอาการสอ สอนมาจนไม่มีเวลาพักผ่อนตายเลยสองสามปีมาเนี่ก็ตายอยวอยอ่ัน้องเกอองหลวงปฏิบัติพระพูดเท่าพระพูดเท่าตัวเองก็เป็นสุขภาพไม่ดีมาทำวัดสวดมนต์ฟังเทพทางเทพนั่งทรมานให้มาเขาข่มูมจะว่าใจมันวายไวิ ว, ว พระลูกศิษก็ตายเรียกว่าตายในสนามพอดีมันกันตายนอกสนามอันนี้มันตายในสนามรกแต่บางทีมันไม่ควรที่จะตายไม่ต้องลกก็ได้นะพักผ่อนสักน้อยพอดีมันกันถ้าเห็นว่ามันไม่ไหลก็พักผ่อนเอาแรงต่ออีกสักหน่อยไม่ใช่ว่าหมดแรงเท่าไห่ก็ยังทําอยู่มันก็เบียดเบียนตัวเอง <c oughs> การปฏิบัติทํากระบวนกันให้พอดีนะต้องนอนต้องกินให้อิม่มต้องนอนให้อิม่มการเบียดเบียตนตนเนี่ยก็เป็นเบาเลยกินให้อิม่มนอนให้อิม่มการใช้ชีวิตพอดีพอดี อ, ดอาบน้ํอาอริวุตรก็พอดีพอดีอินซีก็ให้พอดีพอดีศรัทธา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 ไม่ใช่ไปจัดอันอื่นตรงก็มีสติมันมันหลงมีสติให้ปฏิบัติตรงมันทุกมีสตินี่ปฏิบัติตรงการที่ปฏิบัติตรงก็ปฏิบัติดีขณะที่มีสติมันก็ออกจากทุกขณะที่มีสติมันก็สมควรมีสตินี่มันปฏิบัติดีมีสตินี่มันปฏิบัติตรงมีสตินี่มันปฏิบัติออกจากทุก มีสตินี sí. ่แหละมันปฏิบัติสมควรไม่ใช่ตรงอยู่อันอื่นดีอยู่อันอื่นออกจากทุกอยู่อันอื่นสมควรอยู่อันอื่นไม่ใช่อันเดียวมีสติอันเดียวก็พูดปฏิบัติกับคนก็พูดถูกทำถูกคิดถูกปฏิบัติกับตัวเองก็พูดถูกทำถูกปฏิบัติกับวัตถุสิ่งของก็พูดถูกทำถูกปฏิบัติกับอะไรก็ตาม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 เกี่ยวข้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อเกจะเป็นพวงเป็นกลุ่มเพราะว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตอกจากทุกปฏิบัติสมควรมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งสติมีทั้งศรัทธามีทั้งความเพียรมีทั้งการสํารวมอินทรีย์อยู่ในนั้นหมดถ้ามีสติก็เลยพูด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 ความหลงก็มาเป็นพวงเกิดกิเลสตะนาะเพิมโลกโกรธหลงไปโน่นนะอ่าก็ทุกคนเก็บเวลาก็กราบพระพ้องกันอะระหุตมวะจ น, จนโุร